ก็ว่า่ทราบว่าอะไรเป็นเครื่องวัดมันต้องตรวจให้ดีๆนะหลักมาตรฐานสากลที่เอาไว้วัดว่าเออคบคนเนี่ยยังคบคนดีอยู่ไหมคบคนชั่วอยู่ไหมเป็นต้นเนี่ยเช็คให้ตรวจสอบให้มันดีๆมาอย่างนั้นนี่ก็ซื้อก้อนกรวดนึกว่ซื้อเพชรเนี่ยนะแต่ราคาเท่าเพชรเนี่ยเอาไหมเห็นไหมอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องว่าผู้ที่ตั้งสติสัมปชัญญะว่าจะได้พบผู้มีศีลเนี่ยบอกว่า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 มีความรู้มีความเข้าใจพระธรรมวินัยเป็นอย่างดีเนี่ยนะท่านเกิดมาเยี่ยมเราอย่างเงี้นะไม่ชอบเลยเราเห็นหน้าปั๊บนี่อะไรนะราศีไม่เข้ากันเลยอย่างเงี้ยนะชะตาไม่ไม่เข้าชะตากันเลยอย่างเงี้ยกับผู้มีศีลท่าอย่างเงี้ก็หน้าองศารนะใช่ไหมไม่รับไม่เชื้อเชอิญไม่รับบาตรดีไม่ดีบอกกันเขาวาว่าเออที่นี่กุฏิไม่ว่างครับอย่างเง้ยกุฏิกุฏ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 บอกว่าเขาจากพบนี้แล้วจะไปไหนเนาะเขาจะไม่ตายกันหรือไงนาะเนี่ยคิดแบบพระพุทธเจ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ปารภถึงพระเจ้าเประเซนที่โกศลบอกว่าเอ๊ะพระราชาพระองค์นี้พระองค์จะคิดจะไม่สิ้นพระชนหรื อ, อยังไงว่างั้นนะก็แปลภาษาไทยว่าท่านไม่ตายเป็นหรือท่านตายแล้วท่านจะไปไหนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็อย่าคิดว่ามันยืดยาวอะไรนะบางคนเนี่ยทำตัวเหมือนแหมอยู่กับกุติอย่างนั้นน่ยไม่ตายนะเนี่ยปัญหว่ามันเน่าคากุตินี่สิยุ่งเพราะ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 แม่เจ้าของวัดแบบนี้เข้าเนี่ยนะแม่รู้อย่างนี้ไม่มาสักก็ดีรู้ไม่น่าตัดสินใจพลาดแบบนี้เลยนึกว่าดีมีนายได้ไม่ใช่ น, นะก็คิดจะออกไปได้ยังไงเนี่ยหาเวลาบางทีก็บางองค์ี่ยก็คิดได้กลางคืนก็ไปกลางคืนบางองค์คิดได้กลางวันก็ไปกลางวันเพราะอยู่ที่นี้มีแต่เสื่อมมานะเสื่อมจากอะไรเสื่อมจากอริยทรัพย์เสื่อมจากศรัทธ า, า, าเป็นต้นนั่นเองทีนี้ภิกษุเจ้าถิ่นทั้งหลายเนี่ยนะถ้าไม่พบผู้มีศีล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 มันก็ไม่ได้ฟังธรรมที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางเลยที่สุดเพราะฉะนั้นก็เมื่อไม่ได้รับธรรมที่ยังไม่ได้รับไม่ได้ทำการสาทยายธรรมที่รับเอาไว้แล้วเสื่อมถ่ายเดียวว่า ง, งั้นตกต่าอย่างเดียวต่าขนาดไหนก็ต่ำถึงขนาดว่าถ้าหากว่าติดในจีวรตายแล้วก็ไปเป็นมแมลงเฝ้าจีวรถ้าติดในกุฏิก็ตายแล้วก็ไปเป็นอะไรเฝ้า กุฏิเนี่ยนะถ้าติดในที่วัดก็ตายแล้วก็ไปเป็นอะไรอยู่แถววัดเนี่ยนะก็ขอให้ไปดีมีสุขเถอดเนี่ยนะแต่ น, นี้ถ้าไปไม่ดีแล้วก็เป็นแมลงอะไรเฝ้าวัดเนี่ยนะยุ่งเลยแต่ถ้าตรงกันข้ามตรงกันข้ามภิกษุที่ไม่เสื่อมมันะก็บอกว่าภิกษุเหล่าใดปรารถนาจะให้เพื่อนสะพรมจารีผู้ประพฤติพรหมจันทร์คือประพฤติในอธิศีน์อธิจิตอธิปัญญา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 ท่านเหล่านั้นก็จะช่วยบรรเทาความสงสัยให้นะนะคือถ้าอย่างอย่างที่ว่านะถ้าหากว่าพระพิสุบริการดีต้อนรับปฏิสันฐานดีผู้ที่มีธรรมทั้งหลายเขาก็มีใจเอื้อเฟื้อที่จะให้โอวาต ท, ที่จะแนะนําสั่งสอนเนี่ยนะอย่างว่าพอไปเจอคนที่แหมไม่มีศรัทธาเลยมันถึงจะรู้ก็มันก็ไม่อยากจะพูดใช่ไหมมันก็อยากเงียบๆว่าอ๋อนี่มนผมขอพออยู่เงียบๆได้ไหมอย่างเงี้ยนะก็จะคล้ายๆแบบนั้นแหละ แต่ถ้าหาว่าเจอผู้ที่เขามีศรัทธามีความีเลื่อมใสก็อยากพูดคุยด้วยอยากจะช่วยเหลืออยากจะเอื้อกูลแก่กันและกันด้วยธรรมกถาอันไพเราะเมื่อเป็นอย่างนั้นเหล่าภิกษุเหล่านั้นก็ชื่อเสียงก็จะฟุ้งไปว่าภิกษุวัดโน้นเป็นผู้มีศรัทธามีความเลื่อมใสมีใจกรุณารู้จักสงเคราะห์เอือ้อเฟื้อต่อเพื่อนสัพพรมจารีเป็นต้นภิกษุทั้งหลายได้ฟังเรื่องนั้นแล้วแม้ไกลก็พากันเข้าไปภิกษุเจ้าถิ่นก็กระทำวัด แกพิสูจนอาคารตุกะเหล่านั้นมาใกล้ๆไหว้อาคารตุกะผู้แก่กว่าแล้วก็นั่งถืออาสนะนั่งใกล้ๆอาคารตุกะผู้อ่อนกว่าถ้าเป็นอาคารตุกะผู้เข้ามาเนี่ยนะเป็นพทเถร ะ, ระมีพรรษา ม, มากกว่าก็เข้าไปกราบคอยปรนิบัติรับใช้เป็นตน้นถ้าเป็นพระพิสูจนผู้อ่อนกว่าก็ไปนั่งใกล้ๆก็ถามว่าท่านจะอยู่วัดนี้หรือเหมือนกันก็บอกว่าท่านจะอยู่ไหมพักหน่อยไหมบอกว่าผมจะไปต่อและบอกที่นี่สบายนะอาหารหาไม่ยาก อย่าไปเลยอยู่ที่นี่สักคืนก่อนได้ไหมเป็นตอนก็นจะค่อยๆอย่างเงี้ยในที่สุดถ้าพระอคันตุกะเป็นผู้แตกฉานพระวินยัยวิไนทอนแปลว่าผู้ทรงพระวินยัยท่านก็จะสาธยายวิไนให้ฟังท่านก็จะเล่าพระวินัยให้ฟังสอบถามปัญหาใค ร, ร่กวนเรื่องปัญหาวินยัยถ้าพระอคันตุกะทรงพระสูรหรือทรงพระพิธรรมก็จะมีการสนทยายธรรมะนั้นๆในสำนักพระธรรมทรผู้สรงธรรมเหล่านั้น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 มันธรรมะทั้งเจดข้อที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะเรียกว่าอภริหานิยธรรมเป็นธรรมที่เป็นเหตุให้ไม่เสื่อมคือถ้าจะกล่าวไปแล้วเนี่ยนะคำพระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสอภริหานิยธรรมชุดนี้เนี่ยนะซึ่งแสดงต่อๆ่หลายชุดเนี่ยมันเป็นเหมือนคําสั่งเสียของพระพุทธเจ้าบอกวิธีคิดให้ว่าทํายังไงจึงจเจริญทํายังไงจึงจะเสื่อมเพราะหลังจากนั้นไปแล้วพระองค์จะไม่ได้คอยอยู่โอวาทแล้วนะ จะให้แต่หลักการเอาไว้เท่านั้นเพราะหลังจากนั้นพระองค์ก็จะปรินิพานพระพุทธเจ้าตรัสพุทธพจน์นี้ตอนที่พระองค์มีพระชนมายุประมาณ79ปีแล้วพระชนมายุ79ปีวันอีกภายในครอบปีก็ดับขันปรินิพานแล้วเพราะฉะนั้นให้แต่หลักการเอาไ ว, ไว้วินิจฉัยเอาไว้ไข้ครวญเอาไว้ตรวจสอบนะว่าเหตุแห่งความไม่เสื่อมเจประการทบทวนนะหนประชุมกันเนื่งเนืองสอง พร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกประชุมธทำกิจที่สงควรจะทํามไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไม่เพิกถอนสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้สมาทานประพฤติในศิกขาสามตามที่พระองค์บัญญัติเอาไว้แล้วสบูชาสการะพระเถระผู้รัตตันยูบวชมานานผู้เป็นหัวหน้ า, านะแล้วก็หัวหน้าในการปฏิบัติศิกขาสาข้อห้า ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจตันหานําไปสู่พบใหม่หกยังห่วงใหยในเสนาสนะป่าเจ็ดตั้งสติไว้ที่จะอะไรเพื่อนผู้มีศีลทั้งหลายที่ยังไม่มาก็ขอให้มาเพื่อนสัพพรมจารีผู้มีศีลเป็นที่รักที่มาแล้วก็ขอให้อยู่สบายอันนี้เป็นเครื่องตรวจสอบว่าถ้ายังเป็นไปตามหลักการเจ็ดประการนี้แปลว่าความเจริญเนี่ยเพิ่มขึ้นไม่มีเสื่อมแต่ถ้าข้อใด พลาดมีปัญหาก็แสดงว่ารอวันเสื่อมอย่างเดียวอันนี้เป็นเครื่องตรวจสอบกลุ่มที่หนึ่งดูความพิสูจ์ทั้งหลายก็อปริหานิยธรรมเจ็ประการเหล่านี้ยังจัดตั้งอยู่ในพิสษุทั้งหลายและพิกษุทั้งหลายยังจักเห็นดีร่วมกันในอปริหานิยธรรมเจ็ดประการเหล่านี้ตลอดการเพียงไรพิสูุทั้งหลายเพิ่งหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้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 ใครควรตามพุทธพจน์ที่ได้ฟังไว้ให้ดีเรียกว่าจงฟังจงใส่ใจให้ดีเนี่ยนะอ่ะาแค่เรียกว่าจงฟังเนี่ยเป็นลักษณะของปะโตโฆสะสทําไว้ในใจให้ดีเป็นโยนิสโสมนัิการนั่นแะตถาคตจะกล่าวต่อไปพิสูจน์เหล่านั้นก็กราบทูลรับว่าพร้อมแล้วพระเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีพระดํารัสต่อไปว่าดูก่อนพิกูุทั้งหลาย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 อ่ะ น, นะชอบงานเนี่ยนะชอบสร้างงานขึ้นมาใหม่ๆทําอะไรบ้างเช่นตัดจัดจีวอนทาจีวอนทากล่องเข็ม ท, ท, ทําถลกบาดทำํำสายโยกทำเริงเชิงรองบาดทําเขียงรองเท้าทําไม้กวาดถ้าบางทีนั่งก็เป็นอย่างนั้นนะโอ้ยนั่งอะไรนะเนี่ยทำเชิงรองบาดเนี่ยทำเป็นเดือนก็ยังไม่เสร็จเนี่ยนะชั้นเสร็จเนี่ยมานั่งเหลาขาบาดท่านั้นเวลาเหลาขาบาด นั่งเลาเลาเสร็จแล้วก็มาเย่เอามาแตง่งแต่งไปได้ครึ่งหนึ่งโอ้ไม่ถูกตาหรือทําใหม่ทิง้งแล้วก็หาไม้ไผ่ามาใหม่แล้วก็มานั่งเลาอ้ยนั่นแหละกว่าจะเสร็จแล้วก็บางทีเนี่ยนะหมดเวลาไปเป็นเดือนเดือนนะไอ้ขาบาดนั่นก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะเพราะว่ามีการงานเป็นที่มายินดีบางทีก็นั่นแหละทําสลกบาดเนี่ยนะใช้ไม้พรมเนี่ยนั่งทักนะนะถักไปครึ่งเดือนแนละ้วทักไปได้ครึ่งหนึ่งนะหนะรือแล้วก็ถักใหม่ โอ้ยผมถักจนตาเจ็บหมดแล้ววะกันถ้าใครใช้ท่านทำบางทีก็ไอสายประคดเนี่ยนะโอ้ยทําอยู่นั่นน่ะถ้าใครไม่บวชไม่รู้หรอกว่ามีโอ้ยมีให้เย็นวิจิตพิสดารจริงๆโลกนี้ น, น, นะตกแต่งรองเท้าตกแต่งไม้กวาดนั่งทำงมันเป็นหลังขดหลังแข็งไปหมดเชื่อไหมถ้าอ่านพระไตรปิฎกทนขนาดนั้นยังไงก็บรรลุกมามาก็เชื่อนะ <S <S อาจจะทรงคำพีใดคำพีหนึ่งแน่นอนน่ะถ้าทําทนเท่านั้นอะ ค, คือเขาแบ่งเวลาเนี่ยบางองค์เนี่ยนะทำตั้งอะไรเตชั้นเช้ชามาไปบินธบัตนะถ้ามีคนมาส่งอาหารก็เหมือนั่งนั่งทํารอจนได้อาหารชั้นอาหารเสร็จก็ทําต่ออีกจนเพนเพนเสร็จอาจจะพักตานิดหน่อยแล้วก็ทําต่ออีกจนข่ําข่ําเสร็จแล้วก็ไปอาบน้าเสร็จแล้วมาทําต่อนะจนได้เวลานอนเนี่ยนะโอ้ยทาหมกมุ่นมากเลยนะบางองค์ขยันอย่างนั้นจริงๆเลยแหละบอกเว้นแต่อ่านพระไตรปิฎกเว้นแต่ศึกษาคําสอนเท่านั้นแหละ พอจะฟังทำนะบอกแหมฟังในนิดหน่อยบอกปวดเมื่อยอยสารพัดเหตุยุงก็กวนแมลงก็กัดนะแต่ถ้าเป็นทำงานประเภทนะั้นเนี่ยทนได้เสมออย่างแม้กระทั่งอ่ะก่มก่อสร้างเหมือนกันโบกอิดถือปูนเองเนี่ยนะอ้ยทำได้ทั้งวันทั้งคืนอุยอยู่นั่นแหละจีวรนี่คลุกอยู่กับปูนหมดอนะอย่างนั้นอะทำได้ทำอยู่ทั้งวันทั้งคืนเนะี่ยนะโยจนกว่าจะเสร็จเนี่ยนะนะ